นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต ระหะโตสัมมาสัมพุทธตะโอวัฏยานุสาสัยะอสัพพะจินิวารเยสตังหิโสปิโยโหติอสตังโหติอัพิโยติอี นาบดีอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในปิยบุคลกถาพันานาถือเรื่องบุคคลผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่นิยมชมชอบของคนดี เพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดและเพื่อปรับปรุงชีวิตของเราท่านขลายให้มีความพัฒนาเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักเป็นที่ยกย่องเป็นที่เชิดชูของสับุรุษทั้งหลาย คุณธรรมดังกล่าวเป็นพระโอวาคานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินทร์สีบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ใดได้นำไปประพฤติปฏิบัติความงอกงามในชีวิตก็จะบังเกิดแก่บุคคลผู้นั้น ดังที่ท่านกล่าวว่าแท้จริงการฟังธรรมได้แก่การฟังแล้วเอาไปทาคำว่าปฏิบัติธรรมก็หมายถึงการนำเอาธรรมะไปปฏิบัติผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศรรีลอยู่ในธรรม ความงอกงามก็จะบังเกิดแก่ชีวิตจิตใจของบุคคลผู้นั้นดังที่ท่านทั้งหลายที่ได้มาสดับศึกษาพระธรรมเทศนากันุโสดนวัตปริระวงสาวาณนวารณีก่อนแต่ที่ทุกท่านจะได้สดับพระธรรมเทศนา ท่านทลายได้สมาทานศีลในเบื้องต้นอันศีลนั้นไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเรารักษาศีลห้าเพื่อให้กายวาจาของเราหมดจบเรารักษาศีลอุโบสถ เพื่อเรื่องปลดราคะตลอดถึงกิเลสนิวนในจิตใจให้หมดไปศ <c oughs> ีลนั้นมีพระอันสงค์ยิ่งใหญ่ดังที่ท่านพันนาไว้ว่าอาภิสีลังปฏิทถาจะ ก, กัลยาณานันจะมาตุกัง ปัมุขขังสัพพะคัมมานังตัดสมาสีลังวิโสทเยะแปลกวามว่าศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นที่ตั้งศีลเป็นแม่บทแม่แบบแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวงศีลเป็นประมุขเป็นประธานของกุลตยาณกรรมทั้งหลายทั้งปวง ตัดสมาสีหลังวิโสทยัยเยเพราะฉะนั้นเราท่านทลายพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานก็จะก่อให้เกิดบันไดสำคัญขั้นที่สองตามมาคือสมาธิเมื่อจิตใจพอเรามีสมาธิ อันปราจจากกิเวตนิวนก็จะทำให้เกิดปัญญาความรู้จักรู้จริงและรู้แจ้งในสรรพสิ่งท่าหลายตามความเป็นจริงเหตุนี้ท่านทั้งหลายมองเห็นอ่านภาพแห่งศีลแห่งธรรมดังที่เด็กกล่าวแล้วทุกท่านจึงได้มีศรัทธาภาษาธะ มุ่งหน้าเข้าวัดเป็นประจําทุกวันพระวันธรรมสวรรคหรือวันอุโบสถเช่นวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีวัดเอาไว้วัดดัดความรู้เรามีครูเอาไว้สอนตอนระโง่เรายังเล็กอย่าทําตนเป็นคนโต เมื่อเราโตโจงทำตนเป็นคนดีนี่แหละคือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินท์สีบรมศา ส, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่าเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลคุณภาพ อยู่จะมีคนรักจากจะมีคนอะไรเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับท่านทลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเช่นดีชื่อว่าได้ทำดียวให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลาน ทำดีให้ลูกหลานดูกระตันอยู่ให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโอร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะอยู่สุขและเย็นใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั้นจำเป็นจะต้องมีความดีเป็นแก่นของชีวิตมีความดีเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิต ท่านจึงมีภาษิตว่ามีความดีอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวเวรไปมีความดีอยู่ในใจเวรไภไม่ต้องกลัวความดีจะทำให้ชีวิตของเรามีคุณและมีค่า เอาชนะอุปสรรคศัตรูทั้งหลายทั้งปวงได้ญาติโยมทั้งหลายตอนที่เราทุกท่านทุกคนมีชีวิตเรามีสิทธิ์เป็นผู้เลือกคือเลือกที่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่ภายหลังแต่สิ้นชีวิตกรรมจะเป็นผู้ริษี กรรมจะเป็นผู้เลือกและกรรมจะเป็นผู้สง่งว่าเราจะไปเหนือไปใต้ไปสูงไปต่ำไปสุขคติหรือไปทุกขติข้อนี้รพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่า <c oughs> นะิธรรมโบอธรรมโบจอุปโพสมวิปากิโน อธรรมโมเนยระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติแปรความว่าสภาพสองอย่างคือบาปกับบุญุณกับโทษหรือดีกับชั่วสองอย่างนี้ให้ผลหาเสมอเหมือนกันไหมบาปตามไปเหยียบย่ำซ้ำเติมทำให้ได้รับทุกข์ทรมาน บุญตามไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นพลังพิเศษที่ดึงดูดความดีงามมาสู่ชีวิตและจิตใจของเราทุกท่านทุกคนยามใดที่บุญมา บุญส่งเสริมบุญสนับสนุนอุปสรรคขวางนามของชีวิตก็ละลายหายไปสิน้นแต่ถ้ายามใดที่บุญไม่มาบุญไม่ส่งเสริมหรือบุญไม่มีชีวิตก็จะมีแต่อุปสรรคขวางหนามปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ไม่สาเร็จ แต่ถ้ามีบุญแล้วปรารถนาอะไรก็สำเร็จทั้งนั้นดังที่ท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหรือท่านอาจารย์นุตาแปรเยี่ยไม้ท่านได้ประพันธ์และบรรยายไว้เป็นประจำว่ายามบุญมาวาดสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หนายก็รักแต่ถ้าบุญไม่มาวาดาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนักที่รักก็หายอีกบทหนึ่งที่โบราณท่านกล่าวไว้หนึ่งเดืองว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงษ์ยามบุญลงหงษ์สาเป็นกาไก่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตของเราทุกท่านทุกคนมีบุญเป็นทุนหนุนชีวิต มีบุญเป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุขโผลปัญญะสุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขด้วยประการชนีท่านทลายที่ได้ปรารับเมื่อสักครู่ว่า ชีวิตของเราจะไปสูงไปต่ำไปเหนือไปใต้ไปสุขคติหรือทุกคติก็อยู่ที่กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เราทั้งทลายได้กระทำไว้เป็นทุนหนุนชีวิตต้องด้วยพระบาลีพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมปาเปติสุขติ ธรรมะความดีความงามความถูกต้องนำไปสู่สุขติอธรรมโมนิระยังเนติอธรรมความไม่ดีงามความไม่ถูกต้องนำไปสู่นรกก็คือทำให้ชีวิตของเรามีความเบือดร้อนเหตุนี้เราท่านถลาย จิงต้องเลือกทำแต่กรรมที่ ด, ดีเพราะทำแล้วมีผลเป็นความสุขถ้าเราเผลอไปทำกรรมไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเรากระทบกับความทุกข์สร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถือเรามี ทิงทันทีเมื่อเราตายนี่ก็เป็นเครื่องยืยนยันว่าบุญนั้นเป็นประดุจเงางที่เฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานดังที่เด็กเคยประรบให้ท่านทลายได้สะดับอยู่เนือ ง, เนองว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่ คอยช่วยเหลือเอื้ออาเรห่างราชีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขขาวดีบุญเจงเป็นทนหนุนชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอาไร ทนที่สําคัญนั้นมีสองทุนด้วยกันทุนแรกได้แก่บุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทหลายบาเพ็ญไว้ด้วยตนเองอะไรที่ทําไว้ด้วยตนเองท่านเรียกว่าต้นทุนอย่างที่สองเมื่อเราท่านทหลายทําเองไม่ได้หรือสิ้นชีพวายชนไปแล้ว โลกเต้าเหล่าหลานบริวารญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือบำเพ็ญอุทิศไปให้อีกอย่างนี้เรียกว่าสมทบทุนผู้ที่มีทั้งต้นทุนและสมทบทุนจะช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีสุขเรียกว่าบันเทิเริงใจทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้า กุศลก็ดีอกุศลก็ดีหรือบุญก็ดีบาปก็ดีที่ทำไว้จะมากก็ดีจะน้อยก็ดีจะเป็นประดุดเงาที่ติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานเพราะฉะนั้นเราท่านถลายพึงบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไว้ให้มาก รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะมองมัวหมนไม่ไปเมืองผีจะเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกข์ยท่านเล่าถึงชายคนหนึ่งมีประยาอยู่สี่คนประยาสี่คนนี้ มีอะไรแตกต่างกันและชายผู้เป็นสามีก็ปฏิบัติแตกต่างกันคนแรกรักมากหลงมากเอาอกเอาใจทุกอย่างอยากได้อะไรก็แสวงหาให้คนที่สองรักรองลงมา แต่ว่าไปไหนเอาไปด้วยไม่เคยให้เหินห่างคนที่สามไม่ค่อยรักไม่ค่อยเอาใจใส่กลับใช้งานอย่างหนักส่วนคนสุดท้ายซึ่งเป็นคนที่สี่ไม่สนใจไม่ใหญ่ดีไม่ดูดำดูดี ไม่เคยแยแสยไม่เคยเดี๋ยวเล่ต่อมาชายคนนี้ไปทำผิดและเป็นความผิดมหันต้องโทษประหารแต่ก่อนที่จะถูกประหารก็ขอร้องผู้คุมว่าขอให้ได้ไปสั่งเสียภริยาทั้งสี่เสียก่อนผู้คุมก็เห็นใจจึงให้โอกาส ชายคนนี้เมื่อกลับบ้านก็ถามปริยาทั้งสี่เรียกว่าสัมภาษณ์ทิรคนถึงความรู้สึกถามคนแรกว่าถ้าฉันตายแล้วเธอจะทำอย่างไรปริยาคนแรกบอกว่าตายแล้วก็เลิกกันฉันไม่สน จะมาบวกรุ่นคิดอะไรกันอีกเรียกว่าไม่ใ่ดีไม่สนใจตายแล้วเลิกกันคนที่สองถามว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเขาก็าบอกว่าทิ้งทันทีแลว้วก็จะไปมีคู่ใหม่คนที่สามถามว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรคนนี้บอกว่าฉันจะเอาเธอไปเผา ส่วนคนที่สี่ซึ่งไม่ดูดำดูดีนั้นถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเขาบอกว่าฉันจะขอติดตามเธอไปด้วยไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์อย่างไรฉันก็จะตามไปด้วยทุกขนทุกแหงนี่คือคำตอบของปริยาทั้งสี่ถามว่าปริยาทั้งสี่คนนี้คือใคร ท่านก็เฉลยว่าคนที่หนึ่งที่รักมากหลงมากตามใจทุกอย่างอยากได้อะไรก็หาให้อยากกินอะไรก็พาไปกินอยากดูอะไรก็พาไปดูอยากฟังอะไรก็พาไปฟังแต่พอเราตายจะบอกเลิกกันข้อนี้ท่านเฉลยว่า ได้แก่อินทรีย์ทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งปากท้องอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากดูอะไรพาไปดูอยากฟังอะไรก็พาไปฟังอยากดมอะไรก็พาไปดมเอาออกเอาใจทุกอย่างที่รักมากคืออินทรีย์ คนที่สองรักรองลงมาเอาออกเอาใจสารพัดไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำและจะไปไหนก็ติดไปด้วยไม่เคยให้เหินห่างแต่พอเราตายบอกว่าฉันจะมีคู่ใหม่ภรรยาคนนี้ได้แก่ทรัพย์สินสมบัติ พอเราล้มหายตาจาับ ก, ก็เป็นของคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นคนที่สามคนที่ไม่รักไม่เคยสเสน่หากรับใช้งานหนักปล่อยให้อดอดอยากอยากแต่พอเราตายบอกว่าฉันจะเอาไปเผา ข้อนี้ได้แก่สังขารร่างกายสังขารร่างกายเราใช้งานหนักทำงานหนักตลอดชีวิตบางทีก็ลืมบำรุงลืมเอาใจใส่จนกระทั่งเจ็บป่วยแต่เมื่อตายก็ต้องเอาไปเผาส่วนภระยาคนที่สี่ที่ไม่เคยสนใจทิ้งกว้างห่างเหิน หน้าจงสารแต่พอเราตายบอกว่าจะขอติดตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งข้อนี้ได้แก่บุญอุศนเวลาที่เราแข็งแรงบางทีเท้าอย่างแข็งแรงเดินได้บางทีเราก็ไม่เดินเข้าวัดเวลาที่มือเราแข็งแรง ประนมมือเองได้เราก็ไม่ประนมเวลาที่ตาเรายังดีดูอะไรเห็นอะไรเองได้เราก็ไม่เคยจะดูหูเวลาที่ดีๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะฟังต่อเมื่อหูตาฟ้าฟังแล้วจึงคิดจะฟังจึงคิดจะดูจึงคิดที่จะกราบจะไหว้จะทำบุญทำกุศล ข้อนี้เรียกว่าประมาททำอะไรไม่ทันจินทันการเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอัจเชวะกิจมาตบบังโกชัญญามรนังสุเวเป็นอาทิแปลว่าให้รีบเร่เรงขวนขวายบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการ เสียแต่กระบาดนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่มีใครรู้ว่ามัจจุราชมันจะมาพราเราไปเมื่อใดดังที่เด็กเคยปรรบยู่หนึ่งว่าการบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีอันเป็นแก่นของชีวิตอันเป็นอนุสาวรีแห่งชีวิตนั้นแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ทำแบบทอทอทอ คำว่าทอทอทอไม่ได้หมายความว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ทอทอทอหมายความว่าทำทันทีคือทําทันทีที่มีโอกาสถ้าไปผัดวันประกันพรุ่งรอเมื่อนั้นเมื่อนี้บางทีก็ไม่มีโอกาสเพราะชีวิตเป็นอนิจจงชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้ โรคาพาดอาจโจมจู่ใครรู้ได้อีกบทหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ว่าเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดรบรณาณหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรูสิ้นชีวานเมื่อครู่ยังดูหน้า พอรับตาตายเสียแล้วท่านทหลายในชีวิตของคนเรานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตนอัตานังนาติวัตตยะเกิดเป็นคนอย่าหลงตนอย่าลืมตัวต้องรู้ตัว และตั้งตัวให้ถูกในฐานะภาวะที่ชอบที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธินะักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่อย่างและสี่อย่างที่เราท่านหลายจะต้องกระหนักจะต้องใส่ใจและไม่หลงลืม ถามว่าสี่อย่างและสี่อย่าเป็นฉไนท่านฉเฉลยว่าหนึ่งอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างสองอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่สอย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจสี่อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี ทั้งสี่ประการนี้นับว่าสำคัญมากอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดียิ่งเป็นผู้ใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่เสียสละ ให้เห็นแก่ตัวก็เรียกว่าต่อไปคนที่เคยร่วมสู้ร่วมเคียงข้างเขาก็จะต้องหนายหนีบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพระน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งท่านลหลายชีวิตของคนเรา แท้จริงก็ไม่ต่างอะไรกับอาหารอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่การปรุงดังที่ท่านบอกว่าใส่เกลือไม่มีทางหวานใส่น้ำตาลก็ไม่มีทางเค็มใส่เกลือไม่มีทางหวานใส่น้ำตาลไม่มีทางเค็มข้อนี้เป็นลักษณะอุปมาอุปมาว่าการทำดีทุกอย่าง จะต้องมีผลเป็นความสุขการทำชั่วทุกอย่างก็จะต้องมีผลเป็นความทุกข์ทำชั่วจะมีผลเป็นความสุขความดีก็ไม่ใช่ทำดีจะมีผลเป็นความทุกข์ทรมานชั่วร้ายก็ไม่ใช่การทำดีนั้นบางครั้ง แม้ทำครั้งเดียวก็มีผลดีมีความสุขตลอดชีวิตในทางตรงกันข้ามทำชั่วครั้งเดียวผนอาจเลวร้ายตลอดชีวิตนี่แหละที่ท่านบอกว่าการทำผิดเกิดขึ้นกับทุกคนแต่การสํานึกตนเป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้ ทำผิดให้รู้จักกลับตัวทำช่วยรู้จักกลับใจที่ท่านหลวงตาแพรเยี่ยมไม้พูดเป็นประจำว่าให้กลับจิตกลับตัวกลับจิตกลับใจกลับกลายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับช่วยเป็นดีให้รู้จักพิกจิตคิดใหม่ทำความดีทำไปไม่ต้องคิด แล้วชีวิตก็จะดีตามที่หวังทำความดีทำไปไม่ต้องดังใครชิงชังอิจฉาอย่าใส่ใจละบาปกรรมทำแต่ดีทั้งชีวิตและทำจิตให้เรืองรองปุดผ่องใสใครนินทาว่ากันช่างมันประไร เดี๋ยวมันก็แพ้ภัยกันไปเองข้อนี้เป็นเครื่องเตือนว่าความดีความงามทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันก็จะไปเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพระพุทธเจ้าจึงตรัส เตือนเอาไว้ว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตอนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแต่ตนแชร์เชื้อใครจะเตือนให้ป่วยการท่านทลาย ปกติคนเรามักจะมีทิฏฐิมานะไม่ชอบให้ใครมาแนะนำคร่ำสอนเพราะอำนาจแห่งมานะทิฏฐิแต่คนที่มีสติมีปัญญาใครมาชี้แนะก็จะถือว่าผู้นั้นแหละเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์เมื่อเราไม่ชอบที่จะเตือนตนเองท่านจึงบอกว่าถ้าเป็นลูก พ่อแม่ก็จะต้องคอยแนะนำพร่ำสอนอย่าอัตคัดโอว่าเป็นผู้น้อยผู้บังคับบัญชาก็ต้องแนะนำพร่ำสอนเป็นลูกศิษย์ครูปรชาอาจารย์ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ถูกทอดทิ้ง ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ชื่อว่าไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ผู้ที่อัตคัดโอวาดปล่อยให้ลูกหลานผู้ใต้เมรับบัญชาหรือสิทธินุสิทธิ์ดีก็ตามใจชั่วก็ตามปัจยาศัยอย่างนี้ชื่อว่าไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ต้องในพุทธพจน์บทที่แด่อันเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนานะบุกตนว่าโววัคไยานุสาสยะอสพาจานิวารเยสตังหิโสปิโยโหติอสตังโหติอปิโยแปลความว่าบุคคลพึงเตือนสติควรแนะนำ ควรห้ามปรามซึ่งกันและกันจากอากุิศลกรรมหรืออกุิศลธรรมคนที่ปฏิบัติเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของเหล่าคนดีแต่อาจจะไม่เป็นที่รักของเหล่าคนผานเพราะเหตุนั้นเราท่านทลาย เป็นบัณฑิต ก, ก็ต้องเชื่อถ้อยฟังคาของผู้ที่มีความเมตตาปรารถนาสุขส่วนผู้ที่ไม่เมตตาปรารถนาสุขก็ไม่ต้องใส่ใจผู้ที่แนะนำก็ชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดี ผู้ที่เชื่อถ้อยฟังคำก็ชื่อว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็มีผลดีด้วยกันทั้งสองประการดังได้วิสัชนามาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้เป็นบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นผู้นิยมชมชอบเป็นที่สรรเสริญของสัตว์ตรุษอย่างแท้จริง อาตามภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในปิยปุขลกถาเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาแด่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาในพระบรมพุทธศาสนาได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลา ขอจุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้รัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสัมมีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพารให้ภัยสารผุดพองผนของภัยขอเดชะคุณพระสังครรธ์กำจัดโรค ให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัดชัยจเจริญไวจเจริญศีพระวีสุขทุกประการรับประธานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี